พรักพร้อมจะภาวนาเต็มที่เหมือนกันระหว่างขับรถฉันคุ้นคิดเกี่ยวกับสมาธิสี่ประเภทไปด้วยประเภทแรกเพื่อเสพสุขในฌานประเภทที่สองเพื่อยาทัศนะโดยอธิษฐานกลางคืนเสมอกลางวันประเภทที่สามเพื่อสติสัมปะชัญญะโดยรู้ความเกิดดับของเวทนาสัญญาและความตรึกนึก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 ส่วนสมาธิประเภทที่สเวลาเนี้ยยังไม่แน่ใจนักว่าในทางปฏิบัติเข้าใจหรือเข้าถึงลึกซึ้งเพียงใดหากดูเผลอแล้วสมาธิประเภทที่สนั้นใกล้เคียงกับสมาธิประเภทที่สี่มากต่างกันอย่างสําคัญคือในสมาธิประเภทที่สนั้นมีการดูความตรึกนึกอยู่ด้วยความจริงอาการตรึกนึกก็เป็นส่วนหนึ่งในสังขารขันนั่นแหละ